ไม่ได้ใส่ใจขนาดวันอุโบสถ ต, ตัวเองยังไม่รู้นะแสดงว่าแย่มากแล้วนะวันสังคกรรมตัวเองก็ยังไม่รู้จักไนงะวันสําคัญตัวเองก็ไม่รู้จักปนละ่อยปะล่าเลยทําไมเออละเหยทําไมมันลอยถึงขนาดระเหอใจอย่าให้ผมได้หนักใจกับหมู่พวกเพื่อนนะภาระของผมมันหนักอึ้งพอแรงอย่างพวกท่านทั้งเห็นพวกท่านทั้งหลายเห็นพวกท่านว่าเบาไหมงาน มันไม่ใช่คิดสนุกคู่คนขึ้นมาคิดอยากจะพูดพูดไม่ใช่นะสรรหาคำพูดที่จะมาบอกกล่าวไม่ใช่ธรรมดาจําหรับปัญญาของผมจําหรับความรู้ของผมเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าให้หนักใจสิ่งใดที่รู้แล้วบอกแล้วกล่าวแล้วเขาทำความพอใจแล้วพวกท่านก็ต้องปฏิบัติตามทีต่ตั้งกฎกติกากันไว้ หรื อ, อย่างน้อยพวกหมูพวกเพื่อนก็ต้องบอกกล่าวกัน อ, อไม่ใช่ว่าองค์หนึ่งลืมก็เฉยสมน้าหน้าอีกต่างหากอันนั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าองค์ไหนเผลอก็ต้องบอกกล่าวกันแนะนํากันเออวันนี้วัอนะุโบสถในจําได้ไหมละ่ะเวลาทํางานเนะ่ยระวังนะได้เวลาลรีบไปนะอุะโบสถนะวันนี้วันสังฆกรรมนะมันก็น่าจะบอกกันอย่างนั้น อ, อไม่ใช่ว่า องหนึ่งหลงลืมไปแล้วก็เอสมน้ํำนามอทําทไมมันหลงมันลืมอย่างงั้นเหรอพวกท่านทําอย่างงั้นเหรอมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นพระมันน่าต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาอาศัยกันมีอะไรอรักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วออในมิตรแท้นะทํำยังไงเอมิตรแท้ทํำยังไง แตเมื่อคนหนึ่งหลงลืมพวกหมู่ก็ต้องช่วยบอกกล่าวเพราะพึ่งพาอาศัยกันทีเขาทีเรามันจึงจะถูกไม่ใช่จะปล่อยปะละละเลยหลงลืมไปกระลืมไปตัวเองกมานั่งคอยเย้ยหยันกันพวกท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอันนั้นเิ่นตัวกิเลสทั้งรุ่นไม่ใช่ธรรมไอ้พวกที่ หลงลืมก็เหมือนกันเอาปากกาเขียนใส่ฝามือไว้เลยวันนี้เป็นวันอุโบสถบ่ายห้าโมงได้เวลาขน้นออกมาอย่าให้ใครได้ไปบอกไปหาเพราะอุปสังคกรรมเนี่ยมันทําก่อนไม่ได้นะอุโบสถก็เหมือนกันเทําไปฟังพลางก่อนมาทีหลังก็ฟังทีหลังเหมือนทำวัดทำวัดเจดเนี่ยไม่ได้ ทำวัดเย็นก็เหมือนกันก็รู้และเวลาห้าโมงก็ต้องพยายามขึ้นมาพร้อมกันทําให้พร้อมกันไม่ใช่ว่าทําไปถึงไหนแล้วยังค่อยด้วยๆได้ๆมาเนี่ยมันรู้ไม่ออกเหมือนกันนะขนาดเราเป็นพระอายุขนาดนี้แล้วเราก็ยังทําเวลาของเราพวกท่านเป็นพระน้อยพระหนุ่มนะต่อไปภายภาคหน้าจะทํำยังไงมันจะมีกฎมีเกณฑ์ไหมมันรู้ตั้งแต่บัดนี้แหละไม่ใช่ดูที่อื่นนะ่ะ ผู้ที่จะเป็นตําผู้ตํารงทรงศาสนาผู้จะมีกฎมีเกณฑ์มันดูตั้งแต่บัดนี้แหละอยู่ตั้งดูตั้งแต่อยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยแหละไม่ใช่ดูที่อื่นไกลหรอกบอกได้เลยถ้าองค์ไหนไม่มีกฎไม่มีระเบียบขี้เกียจขี้ค้านหลังยาวน่ะขีดกากบาดใส่หน้าผาไปเลยพระองค์นี้ต่อไปภายภาคหน้าถึงจะเป็นพระผู้ใหญ่ก็เท่านั้นแหละบอกอย่างนั้นเลยมันบ่งบอกแต่สมัยเป็น เด็กทำไมเป็นอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์องแค่ ว, ว่องไวรับภาระแบ่งหน้าที่รู้าจักหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของตนเองก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องการเป็นอยู่ที่พักพาอาศัยทุกอย่างตลอดถึงกิริยามารยาทกับคู่คนการแสดงออกกับคู่คนที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนด้วยความเมตตาอารีกันรักกัน ไม่ก่อไม่ทะเละาะวิวาทกันจากนั้นก็กิจวัตรข้อวัดก็ทำลงคงรักษาไว้แล้วก็มีเศษมีการงานพาดเกยเข้ามาในวัดเรเป็นผู้รับสู้ทำงานไม่ได้หนีงานสู้งานจนสำเร็จลุ่วว ง, งเอาการเอางานน่แหละพระอย่างนั้นอนาคต ของเขาจะไปได้สดใสเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นพระที่รับผิดชอบเป็นผู้ดํารงทรงพระ ศ, ศาสนาแต่ถ้าว่าดูดูแล้วละละแหละแหลอไม่รู้จักอะไรอีกต่างหากขนาดเป็นพระผู้ใหญ่เขายังไม่รู้จักการกาละเทสะบุคคลบุคคลเช่นไรควรทำอย่างไงควรพูดอย่างไรควรครบค่าสมาคมอย่างไรมันรู้กันตั้งแต่บัดนี้แหละ เพราะนั้นท่านพวกท่านทั้งหลายนะให้สังเกตตัวเองนะที่ผมพูดทางนี้ทั้งนั้นนะให้ดูดูตัวเองผมก็ดูตัวของผมเองเหมือนกันนะพวกท่านก็ให้ดูตัวของพวกท่านทุกองค์เหมือนกันแล้วก็พวกพระใหม่ก็เหมือนกันเข้ามาศึกษาเรายังไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีเราก็ต้องฟังต้องดูให้สังเกตจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ เพราะพวกเราเข้ามาเพื่อฝึกหัดดัดเมดใสเพื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเราไม่ได้มาเที่ยวมาบวชมาเที่ยวมาเตะไม่ได้มาเพื่ออะไรมาเพื่อสั่งสมบรรมัลมีมาสั่งสมบุญกุศลนะเราก็รู้แก่ใจว่าเราจะบวชนานเท่าไหร่แต่เว้นเสียเราจะบวชนานเราก็วางตัววางรากฐานไว้ให้ดี รักษาสินภาวนาวไว้ให้ดีอย่าให้มีสิ่งขาดตกบกพร่องสินและวินยัยเตรียมรักษาตั้งแต่วันบวชน่นะเข้มนวดกวดขันตั้งแต่วันบวชน่น ะ, ะเราจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานแต่ถ้าเราทำตัวไม่ดีเป็นพระไม่อยู่กระล่องกรลอยอเป็นพระมีตะกรการะเะาลวิวาดเพอเลอองค์ไหนก็ตามนะ ไปตีเขาก็ดีไปตีหมู่พวกเพื่อนก็ดีไปชกไปตอ่อยหมู่พวกเพื่อนก็ดีหรือว่าถูกหมู่พวกเพื่อนชกต่อยก็ดีมันจะเป็นมลทินไปนานเท่านานมันจะเป็นแผลอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายต้องคิดนะก่อนที่จะพูดอะไรเขาเขาเป็นคนยังไง่เขาเป็นคนอารมโมโหโทโสไหมโคตไม่มีเหตุผลไหมเราจะไปพูดให้เขาทําไม เราไม่ใช้ปัญญาบ้างเหลือว่าสิ่งไหนควรไม่ควรเหมือ น, นเขาตีนไปแหย่ให้หมาบ้าอย่างนั้นมันจะกัดไมหมหมาบ้ามันก็กัดทีสิถ้าการล้ใครเป็นคนโง่่ะไอ้คนที่เอาตีนเอาเท้าไปแย่ให้หมาบ้ากัดใช่ไหมไอ้นี้ก็เหมือนกันเราต้องดูอันไหนควรไม่ควรอย่างไรไอ้คนที่หมูพวกเพื่อนของมอนกันเพื่อเข้ามาเราเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยใช่ไหม สิ่งในควรไม่ควรเราไม่รู้บ้างเหรอทําวินัยเป็นยังไงเราเข้ามาศึกษากับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนสั่งยังไงแต่ละเช้าแต่ละเวลาหลวงพ่อสอนให้ทะเลาะวิวาทกันให้เห็นแก่อยู่แก่กินเห็นเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนั้นใช่ไหมที่หลวงพ่อสอนยังไงสอนพวกเราสอนให้เป็นผู้มุ่งมั่นในอัดในธรรมเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีน้ําใจเป็นผู้มีเมตตา เป็นผู้มุ่งมั่นต่อศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้มุ่งมั่นต่อการภาวนาจะทำยังไงจึงจะเป็นความดีเข้าสู่จิตใจนี่หลวงพ่อมิจฉาสอนอย่างนั้นทุกปีทุกวันฟังดูสิเลเลี่ยมต่างต่าการอยู่ด้วยกันการอยู่คลองโลกจะทำยังไงจึงจะหลีกลี้หนีออกจากความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจ หลวงพ่อมิเตสอนแนวทางดีให้ทั้งนั้นอันนั้นชั่วนะอย่าไปทำนะอย่าไปคิดนะอย่าไปพูดนะอันนี้ดีนะควรจะหันหน้าเข้ามาทางนี้คิดอย่างนี้ทําอย่างนี้พูดอย่างนี้มีแต่แนะนําสั่งสอนไปในทางอย่างนี้ที่หลวงพ่อทบทวนถ้าพวกท่านทั้งหลายจะจะฟังทบทวนทางหลังกับฟังสี่เอ็มพสามหลวงพ่อพูดกันนะตรงไหนที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนให้เป็นที่ช่วยช้า เสียหายเลวสามมันมีไหมที่ตรงไหนถ้ามันมีตรงไหนเอาเอากันนั้นมาเอาคำพูดคำนั้นมามาให้หลวงพ่อฟังรูสิมีไห ม, มถึงจะไม่ได้ถอดออกก็เถอะทั้งยังไม่ได้ตัดตอนก็เถอะหลวงพ่อมั่นใจว่าการพูดของหลวงพ่อในมแตรแนแนวให้แก่พวกท่านทั้งหลายเป็นพระดี มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีมจริยธรรมอยู่ด้วยกันมากมายหลายองค์ก็ให้มีน้ำใจต่อกันอย่าไปอยู่แบบไม่มีน้ำใจอยู่ด้วยความไม่รับผิดชอบหลวงพ่อน้นไม่ชอบอยางมากๆพระไม่รับผิดชอบเด่นๆด้านๆเ็งกักงักอยู่ที่ไหนดักหนักมัดหนักวานักมูหนักเพื่อนหนักครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ชอบพ่อหลวงพ่อเคยเป็นมาแล้วเป็นพาน้อยเนี่ย เป็นเนนของหลวงปู่ล่าใครจะเป็นคนทําเพราะมีเนนบางทีมีเนนอยู่องค์เดียวมีพระอยู่องค์เดียวลายใครเป็นคนทําลวงพ่อทําหมดทุกอย่างเพื่อดูแลวัดวาศาสน า, าเพราะนั้นมันเป็นนิสยัยมาตั้งติดติดมตั้งแต่คราวนั้นตั้งแต่เป็นพระน้อยพระหนุ่มสิ่งไหนก็ตามใครก็ตามเข้ามาสู่วัดเนี่ยรู้ได้เลยว่าเป็นใครมาเพื่ออะไรมาจะพักยังไงอยู่ที่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าบ้านต่าด ท่านก็มอบให้แก่พวกพระเป็นผู้ดูแลเป็นหูเป็นตาแทนท่านท่านมีแต่รับท่านั้นนะก็มีแต่บอกพระให้ช่วยกันดูแลนะต่า น, นั้นแหละอันนี้เราเป็นเป็นพระลูกวัดนะเราก็ต้องดูแลสารถุสุกดิบผู้คนที่มาเกี่ยวข้องเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาเป็นอยู่ยังไงเขาอยู่ในสถานะไหนอย่างเนี้ยหลวงพ่อเองต้องได้ดู เพราะเหตุว่าลงพ่ออยู่ในระดับที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนกับลูกในบ้านเนะี่ยอะพ่อแม่ก้จะให้หุ่โงงละเอียไปจัดที่พักพ่าอาศัยไปจัดที่อยู่ที่กินถ้อย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกเพราะเราเป็นในในฐานะหน่หน้าลกูกเราก็ต้องแบ่งรับแทนหน้าที่ของพ่อตอนรับแขกแขกไปไทยมาอย่างไร แขกถือว่าแขกของพ่ออย่าไปคิดว่าแขกของเราอันนี้เรามาอยู่วัดพ่อแวัดครูบาอาจารยนน์ถือว่าเป็นแขกของครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราไปอยู่ตามลำพังเออเ อ, อันนี้เขามาหาเราเราก็ต้องรับเออใ น, นแขกของเราญาติโยมของเราหรือจะมาญาติโยมแบ่งไปนคนอื่นก็เถอะแต่เข้ามาอยู่ที่วัดเราเราก็ต้องรับผิดชอบที่เขามาเยี่ยมญาติพี่น้องเยี่ยมพระองค์ไหน อันนั้นก็เป็นนั้นแหละแต่ถึงยังไงเขาก็เคารพนับถือเลื่มใสเจ้าของวัดเจ้าอาวาสมารับถือครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของของวัดถือว่าเป็นศรัทธา ญ, ญาติโยมพระลูกหลานของเ ร, เราเราก็ต้องรับว่าเป็นคนของเราจากนั้นก็บอกเออช่วยกันดูแลเนาะญาติโยมที่มาเข้ามาพักอยู่กินอย่างไรเป็นอยู่อย่างไร พวกท่านทั้งหลายเป็นหูเป็นตาช่วยนะอไม่ใช่ว่าพวกเราเข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ก่อนอพวกอื่นเข้ามาแล้วก็วไม่ได้ใส่ใจเพอ้อเพ้อยังอิดชาตาเหลือกันอีกมันไม่ถูกนะมันไม่เป็นธรรมนะไม่ใช่พุทธศาสนานะเพราะพุทธศาสนาต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตาต่อกันต้องรัก เ, เมตตากัน ไม่ใช่ว่ารักแบบกิเลสรักแบบธรรมเมตตาแบบธรรมใช้แบบธรรมะธรรมะคือความมีหลักมีเหตุมีผลนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพระไม่ใช่ว่าเฉยเชยมยเมเห็นคนมาแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้นะพวกท่านทั้งหลายนะเะ ส, นสนาชนะหลังไหนควรจะแบ่งปันใครเป็นผู้รับผิดชอบนะ แล้ะของที่ได้มาก็เหมือนกันที่ได้มาตอนเช้าเนี่ยหลวงพ่อเองอยากจะให้พระใหม่ ช, ช่วยกันดูนะผ้าใหม่ให้เก็บเป็นหมวดหมู่อันไหนควรจะรวมรวมกันไว้อันไหนเป็นสบูอันไหนเป็นยาสีฟันอันไหนเป็นผ้าอาบอันไหนเป็นผ้าหม่มอันไหนเป็นผ้าเช็ดหน้าเรื่องไหนเป็นเทียนไขเ ท, ทียนยาวเทียนยาวเทียนสั้นให้พวกท่านทั้งหลายแยกออก จากนั้นก็แบ่งววัดไหนที่พอจะมาทำวัดมาคารวะหลวงพอ่อวัดไหนที่อยู่กันดานก็แบ่งให้มอบให้แบ่งเฉลี่ยเจือจานให้ของไหนของใช้เป็นหยุบเป็นยาชาวบ้านเข้ามาทำการทำงานเอาพยายามแบ่งให้คู่คนที่เก็บไข้ได้ป่วยมีความจำเป็นเอ า, อาดูจับให้แบ่งให้ สรุปแล้วก็คือให้แบ่งปันแต่ไม่ใช่ได้มาเท่าไรเก็บหมดไม่ใช่นะพวกท่านทั้งหลายต้งช่วยกันคิดต้งช่วยกันดูถ้าองค์ไหนก็ตามแต่นี่ถ้าทําแล้วไม่เป็นธรรมเออหลวงพ่ออ้พระองค์นี่ไม่เป็นธรรมนะฉันทางกติโทสากติโมหกติพยาคติอาจารย์องค์นี้นะหลงพ่อจับตาดูนะเดี๋ยวหลวงพ่อจัดจัดการเองเออ ถ้าหากว่าทำโดยเป็นธรรมกัใกล้ๆกับว่ า, าลงลงมติและเหตุพ้องต้องกันทำอย่างนี้อย่างนี้นะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอ่ามันต้องเห็นด้วยกันอย่าไปทำรับรับรล่อๆออย่าไปทำดิบติเล่นๆอย่าไปทำแบบขโมยขโมยโพโจรอันนั้นไม่ใช่เรื่องของพระ เ, เรื่องของพระเนี่ยต้องทำเปิดเผยขาวสะอาดนี่แหละ ให้ช่วยกันดูนะพวกผ้าใหม่นะพวกของได้มามาเลินเทินเถกตอนเช้าก็เหมือนกันเวลาแขกคนเข้ามาเนี่ยมีพระเวีองค์เดียวทําไมไม่จัดกันวันวันเช่นนี้พระเต็มวัดเนี่ยทำไมไม่จัดกันให้เป็นสามสีวันนะให้พระอยู่กับผ้าเวีอย่างน้อยสักสามหรือสี่องค์เป็นหูเป็นตาช่วยกันขัวน้ําร้อนก็เหมือนกันแต่ครัวน้ําร้อนก็ควรจะมี พระสามสีองค์ช่วยๆกันดูสองสามวันเนี่ยเพราะแขกคนเข้ามาพวกเราควรจะดูแลอย่างไงสิ่งเหล่านี้มันต้องได้ดูแลกันไม่ใช่แบบมีพระ อ, องค์เดียววิ่งขึ้นวิ่งลงพอได้สุดกันเะลยเราก็กดกิ่งแล้วกดกิ่งอีกมันจะเป็นบ้าตายสแสดงว่าไม่คิดไม่อ่านเลยพระทางวัดเสื่อมมากเออ จริงเรานี้ไม่ใช่เราไม่คิดนะถึงเราพูดเราจะพูดให้ฟังเราไม่เคยทําอย่างนี้เนอพราะใเวลาทาลําย่างไรเราต้องต้องดูต้องดูเหตุต้องดูการแต่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ทั้งวี่ทั้งวันเป็นเดือนเป็นปีไม่ใช่งานไหนที่มันช่วงไหนที่มันหนักมันคิดไม่ออกแล้วมันโง่ถึงขนาดนั้นเหรอพระทางวัดทําไมไม่ช่วยกันคิด อ, องค์ไหนควรจะนั่งยังไงบางทีเราบอกนะไม่มีผู้ชายนะโกดกิ่งขึ้นมาท่าเลอทะล่าขึ้นมานั่งเป็นโมยังค่อยไป น, นั่งมันทําไมโง่ถึงขนาดนั้นอีกมันทําไมไม่สังเกตการมีผู้หญิงก็รู้อยาละดพิจวินยนะัยเนี่ยเิกซูนั่งอยู่กับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องปาจิตตีก็ยังว่าอยู่แล้วนะทําไมพวกท่านทั้งหลายทําไมไม่สังเกต ขึ้นมาเขานี่มีผู้ชายไหมถ้ามีมีผู้ชายแล้วก็ต้องมาเป็นเพื่อนจะให้ได้บอกกันทําไมถ้ามีผู้ชายนั่งเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้ามานั่งพราะมีผู้ชายอยู่แล้ว ม, มีมีวินัยคุ้มครองอยู่แล้วนะสิ่งเหล่านี้อย่าให้ได้บอกกันนะมันบอกแล้วมันเหมือนกับมันเป็นยังไงมือนเด็กอมนิ้วอยู่ บ, บ่อยๆอันนี้คือความรอบคอบ สอนความรอบครอบให้แก่พวกท่านทั้งหลายอย่าไปอยู่แบบไม่รับผิดชอบให้ช่วยกันรับผิดชอบภายในวัดอันนี้เ อ, อถึงค่าวที่ผมพูดกับผมจะพูดให้ฟังนี่แหละต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านทั้งหลายก็จะได้รู้ว่าการวางตัวและการรับผิดชอบนั้นทําอย่างไรเพราะฉะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้พวกท่านทั้งหลาย ให้สังเกตนะให้ดูนะให้ลงมอปฏิบัตินะอย่าไปอยู่แบบเด้นเดนด้านด้านอยู่ให้ตรงๆูรับผิดชอบนะต่อนนี้ไปอธิฐานพรรษาที่นี่นะอธิฐานพรรษานี่ก็คือในพระวินัยของพระพุทธทเจ้าทนายพระจำบรรษา สมเดือนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรรู้ใหม่พระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้ยามบัญญัติฟีนัยพระสงฆ์ก็ต่างองค์ต่างไปต่างองค์ก็ต่างเที่ยวทุ่งทงต่างองค์ต่างๆภาวนาเที่ยวทั้งปีทั้งเดือนทั้งปีตลอดปีพอต่อมาพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นท่านพระเป็นร้อย0 0องค์เยียบย่ำไปที่ไหน คันนาของเขาแหลกเหลวไปหมดเลไปผ่านไร่ผ่านสวนใครองค์ที่จำรวงก็มีองค์ที่ไม่จำรวงก็มีเหยียบพืชไร่ของเขาแหลกไปหมดเสียหายชาวบ้านเขาเลยโพธ น, นาติเตียนว่าพระสงฆ์ไม่อยู่ในหลักไม่จำพรรษาใ น, นากลางเดือนนีงศาสนาอื่นเขาก็อยู่เป็นหลักเป็นแหลงขนาดนกหนูปูปีเขาก็ยังอยู่ในโพรงอยู่ในรูรวงในรงัง แต่พระสงฆ์สมณะสากยบุตรนี่ไปทั้งแรงทางผลเที่ยวเตร่อยู่ตลอดเล่นุ่นเล่หนึ่งอยู่ตลอดทําไมพระสงฆ์จึงมาอยู่เป็นที่เป็นทางอันนี้แหะคือสาเหตุเพราะพระเทเจ้าได้ยินขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เลยบัญญัติวินัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใจไม่จําบรรษาปรับอบัติทุกกฏนี่แหละคือจึงบัญญัติวินัยตั้งแต่เดือน8ดเพลนเป็นวันเข้าพรรษา ในเมื่อเข้าพรรษาแล้วอย่างี้พวกเราเนี่ยอยู่จำพรรษาที่วัดป่านาคำน้อยเนี่ยเราก็จะอธิษฐานว่าอิมัตช ม, มิงอาวาเซอาวาเซคืออาวาสน่ยอาวาเซอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเป น, เนี่เราจะอยู่ในอาวาสถึงสามเดือนแต่นี้สมมติว่าเรายัางไม่สว่าง อยู่ในอาวาัเราอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกอย่าเพิ่งออกไปนอกรั้วอย่าเพิ่งออกไปนอกกำแพงให้ได้อารุณซะก่อนจึงออกไปเว้นเสียแต่สัาหะกรณียะถ้าว่าพวกเราปัดกวาดธรรมดาเนี่ยมันตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปอธิษฐานพัรษาวันพรุ่งนี้แหละเราอย่าออกให้ปิดประตูไว้ก่อนพระเวรต้องปิดประตูไว้ก่อนอย่าไปเปิด จนกว่ามันสว่างซะก่อนบางทีอาจจะเผลอไผลเข้าไปมันอาจจะเป็นอันตรายได้พระเวรเนี่ยสำคัญต้องปิดไว้ซะก่อนจนได้อารุณขึ้นมาแล้วค่อยเปิดประตูแล้วก็พระใหม่ยังค่อยออกไปไปปัดกวาดถ้าจะปัดกวาดภายนอกที่มันมีใบไม้ร่วงหล่นบริเวณที่ทางหน้าแต่ตามไม่จริงก็น่าจะให้พวกทางในครัวนั่นแหะออกไป ตาหลายคนก็ออกไปไปปัดกวาดโดยเฉพยาะโยามอย่างยิ่งโยมผู้หญิงอหรือหัวใครแต่ปีนี้โยมบอกว่าผมออกไปไม่ไหวละหลวงพ่อผมไปรับบาดคงไม่ไหวปีนี้ผมจะเฝ้าสลาหรือเอฝ้าสล า, ากระไรในตูนะเพราะท่านก็อายุตั้งเจ็ดสิบแปดสิบก็มาแล้วก็จริงอย่างที่ว่านนะเราจะไปหาใช้ผู้เท่ารับบาดมันก็ไม่ถูกนี่แหละอันนี้ก็คือพระพิณัยนะ อย่าออกนอกกำแพงยังไม่สว่างแล้วก็อยู่ในวัดก็เหมือนกันอย่าไปปีนกำแพงออกไปอย่างไม่สว่างอย่าไปออกไปข้างนอกถ้าออกไปข้างนอกพอกตีสีแลรวต้องเข้ามาอยู่ในวัดหมดถ้าจะออกไปออกไปข้างนอกได้ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสี่พอตีสี่ล้วเข้ามาเข้ามาอยู่ในวัดถ้าขืน้นออกไปในปรับอบัดขาดพรรษา เจตนาแล้ไม่เจตนาก็ตามถ้าออกไปแล้วต้องขาดปัญษาไปบินธบาตทั้งห้วยเวียงงามกอเหมือนกันให้สว่างก่กอนค่อยออกไปอย่าไปออกก่อนยังไม่สว่างเนี่ไม่ใช่ว่าออกไปเดินเดินไปเล่นเล่นไปตามถนนยังไม่สว่างไม่ได้นะปรับอาบัตปัญษาขาดแล้วก็ ขวินายของพระสงฆ์ถ้ามีความจำเป็นจะออกจะออกไปในพรรษาได้ไหมได้ท่านว่าสัตหะกรณียะไปได้เจ็ดวันสัตหะแปลว่าได้สัตหะกรณียะไปกรณียกิจได้เจ็ดวันพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ลาครูบาอาจารย์แล้วก็ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพระภิกษุ เ่ที่อยากจะสึกเราสัตหะไปเพื่อห้ามปลามก็ได้หรือไปเสนาสะนะวัดของเราหลังคามันรั่วไปหาไม้มาซ่อมแซมออย่างนี้ก็ได้หรือว่ากิจนิมนต์คณะศรัทธาญาติโยมของนิมนต์ที่เป็นอุยมอุปถัมภะมที่มีพระคุณเราสัตหะไปก็ได้หรือว่กเขานิมนต์ไปเพื่อแสดงธรรมโปรด อย่างนี้เราไปก็ได้ไปได้เจ็ดวันแต่พอถึงเจ็ดวันแล้รีบกลับมาถ้างา น, ช, นชิ้นนั้นยังไม่เสร็จก็ต้องกลับมาก่อนอพอเอามามานอนอัลาตีซะก่อนมานอนเอาคืนหนึ่งซะก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าจะค่อยออกไปอีกไปทำหน้าที่นั้นต่ออีกอันนี้แหละคือพระวินยัยให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจ อันนี้ว่าจัตตาหะกรณียะไปได้เจ็ดวันแต่ว่าข้อสําคัญเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเราไปได้ไหยไปได้แต่ไม่ให้นอนนะถ้าขืนไปนอนพันษาขาดเหมือนกันอันนี้พระผู้ใหญ่ต้องรู้ต้องรู้วิธีต้องรู้วิธีการสมมติว่าเราจะไปนอนที่โรงพยาบาลนายูงเนี่ย เ, ยเวลาพระเจ็บไข้ได้ป่วยจะวัดเราจําเป็นต้องได้นอนอนะ่ะเนอเพราะอาการหนัก เราก็ให้เพ อ, อ, อเขานิมนต์นิมนต์พระคุณท่านมาพักที่โรงพยาบาลนาอยู่ก็ผมพวกผมจะได้รักษาอาจาร์อาการของท่านคือให้โรงพยาบาลเขานิมนต์ไม่ใช่ว่าส่งพระไปเลยโดยที่มดนนิมนต์พันสาขาดไม่มีการยกเว้นเรื่องการเก็บไข้ได้ป่วยเก็บไข้ได้ป่วยส่วนตัวไม่มีการยกเว้น เพรนั้นสิ่นี้ให้พวกเรารู้ให้ดูพระวินัยเหมือนกับกฎหมายกฎหมายเขาเขียนว่ายังไงเขาก็จะปฏิบัติตามนั้นอันนี้พระวินัยของพระพุทธเจ้าสมัยก่อนคงจะไม่มีโรงพยาบาลอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อได้รู้จะไปโรงพยาบาลอุดร อ, อย่างนี้มีความจําเป็นเพราะโรงพยาบาลนายงไม่ไหวแล้วเราก็ต้องบอกทางโยมใครก็ได้ที่อุดรขอในมณฑคูบา อย่างกาปรารธนาคูบาไปรักษาผมจะดูเป็นผู้ดูแลนี่แหละตอนนี้นเราก็ไปตามเขากาปรารธนาไปเจ็วันแล้วก็กลับมาแล้วเขาขออนุโมทิตไปกลับไปอยู่อี ก, ก, อกให้ตามกําหนดให้ตามครบพรอดที่จะรักษาสุขภาพพระดูแลพักแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่จําเป็นจริงยาไปสนใจในการนอนโรงพยาบาล การไปนอนโรงพยาบาลไม่ใช่ปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังเลยสิหลวงตามหาบัวท่านว่าจ้าวฟิตที่เดียวกับไปโรงพยาบาลทําไมมันอ่อนแอขนาดนั้นพระไม่มีความอดทนเลยไม่มีความมุ่ง ม, มั่นไม่มีความอดทนเลยรู้อยู่แล้วมันเป็นเป็นยังไงทําไมไม่สังเกตตัวเองมีอะไรที่มีอยากจะไปนอนโรงพยาบาลถือว่าโรงพยาบาลเป็นชรานางังคดฉามิอย่างนั้นเหรอ ไปโรงพยาบาลล้วจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมไปที่ไหนตายหมดท่ า, านวะ่าหนาอยู่ที่วัดก็ตายไปที่ไหนก็ตายแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นก็เออเอาไปเออไปแล้วก็อย่าไปพึ่งพาอาศัยจนเกินไปพึ่งพุทโธธรรมโมสังโคพึ่งธรรมะเนะี่ยพึ่งทางด้านจิตใจถึงยังไงยังไงใ่ยใครๆก็นั่นแ่ะไม่มีใครที่จะอยู่ได้นะถึงคราวแนละ้วไม่ว่าหมอไม่ว่าพยาบาล ไม่ว่าตัวของเราทุกคนเห็นไหมใครอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีมีไหมเราต้องคิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปพึ่งพาอาศัยยาดูกยาเพราะว่ายาแค่ๆว่าเป็นเพื่อนเพื่องอาศัยโชคขาวเทตนเองยาเอาไว้เหมือนกับกละมังมันรั่วเนเออหม้อน้ํามันแตกเนี่ยต้องใช้กาวอิปกซี่ยาเอาไว้ปิดเอาไว้รูรั่วของมัน นี่ก็เหมือนการร่างกายของเราเรากดยาเอาไว้เพื่อรักษาเอาไว้แต่ที่รักษาก็เถอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดสภาพมอไปที่ต้องหมดสภาพต้องแตกสลายตายให้หมดสภาพมันจะทำยังไงได้มันก็ต้องแตกยาที่ไหนมันก็ยาไม่อยู่เพราะมันหมดสภาพทุกส่วนมันหมดสภาพแล้วร่างกายของเราก็ลักษณะอย่างนั้นแต่ถึงขามันมาหมดสภาพเราจะอยู่นานไปสั ก, กเท่าไหร่เพราะนั้น ให้มีความเข้มแข็งในใจให้ต้องตั้งใจให้เข้มแข็งและจากนั้นก็ให้ภาวนาให้ปฏิบัตินะในพรรษานี้ผมอยากจะให้หมู่พเพื่อนมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจเรื่องภายนอกเรื่องการก่อสร้างถ้าไม่จําเป็นจริงจะจะทําอะไรต้องบอกผมก่อนนะจะทําอะไรพําเพื่อเรื้อรงังหรือทําไปยาวนานต้องบอกผมก่อนต้องผมเห็นด้วยซะก่อน ถ้าไมนั่นนาจจะไปหาทำแต่ทำปีหนึ่งมันลบกวนไหมถ้าทําข้างในมันลบกวนหมู่พกเพื่อนรบกวนการภาวนาของหมู่พกเพื่อนเสียงดังอยู่ทั้งวีทั้งวันเีเสียงเครื่องดังอยู่ทั้งวีทั้งวันรถผ่านไปผ่านมาทั้งวีทั้งวันเน่ยเป็นการลบกวนวัดของเรานี่ยถึงคราวต้องหยุดก็ต้องหยุดถึงคราวต้องภาวนาก็ต้องภาวนาไม่ใช่ว่าทําทั้งปีทั้งชาติไม่รู้จักจบ วัตถุซึ่งจะสร้างไปขนาดไหนก็เอะสร้างไปก่อนออพอไปทำไปแล้วสุดจำนวนที่สร้างขอมันก็พังไปตามหลังไปเรื่อยอย่างนั้นเพราะมันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงแต่เราทำพออยู่ได้ทำพอไม่ให้แก้ปัญหาเป็นระยะระยะไปไม่ให้ขัดไม่ให้ลำบากจนเกินไปในการเป็นอยู่ของพวกเราเพียงเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอ เราไม่ได้มุ่งหวังวัตถุวัดของเราเนะี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องวัตถุเราจะเน้นเรื่องบุคคลบุคคลมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจริยธรร ม, ม, นรรมเน้นเรื่องภาวนาเพื่อจะให้พระเป็นพระอริยะพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหรันให้เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจไปภาคปฏิบัติหาทางพ้นทุกเนี่ยแหละวัดของเราไม่ใช่ มาเด้มมุ่งหวังด้านวัตถเุเราไม่ได้เพื่อต้องการลาบยศสรรเสริญอะไรทั้งหมดถ้าญาติโยมเขามากับไปเรื่องของเขามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะมาหรือไม่มาเป็นเรื่องของเขาถ้าเขามาแล้วก็ต้องตออ้อนรับขับสู้เป็นภาระอีกต่างหากจะพูดไปแล้วแต่ถึงยังไงเขากับคุณเป็นพุทธบริษัทสีให้การสนับสนุนเราก็ต้องเสียสละเขาก็เสียสละมาเราก็ต้องเสียสละต้ อ, ตอนรับ การพอประมาณแต่ไม่ใช่ว่าพัพ้เพื่อเพื่อรังทั้งวันทั้งคืนก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือพระของเราวัดของเราทุกองที่เข้ามาเนี่ยเพื่อฝุกขัดดัดนิดสัยแหกขัดเก่ากิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจทั้งพระเก่าทั้งพระใหม่และก็พร้อมกันควรจะมีหนักมีเบาในการภาวนาแตวันพระอย่างนี้ น่าจะเดินยกกลมทั้งคืนลว่นในชัดชิไม่นอนทั้งคืนไม่นอนทั้งคืนอย่าเป็นคุยกันนะพอไม่นอนทั้งคืนเอากาลแฝไปตั้งแล้วก็ไปนั่งคุยกันทั้งคืนมันไม่เกิดประโยชน์ยิ่งเสียหายอีกต่างหากถ้าทําอย่างนั้นแปลว่าทําผิดประเพณีผิดแนวทางถ้าเราไปอยู่ตามบางเราก็นั่งภาวนาของใครของเราเดินยกกลมจุกเทียนเดินยกกลมของใครของเรานั่นแหละ อันนั้นพวกท่านทั้งหลายจิตใจจะเข้าสู่ความสงบจากนั้นก็จะเห็นคุณค่าของการบวดเห็นคุณค่าของธรรมเ อ, อ่เห็นคุณค่าแห่งความสงบถ้าพวกท่านทําจริงจังอย่างนั้นถ้าพวกเราอยู่เป็นวันวเลเล่นลอนอนเลเะเทเธอเลเลื่นเ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ อ, อ่ผมเห็นแล้วกับผมก่อนมันหนับอยู่ในใจเหมือนกันนะแต่มันพูดไม่พูดตนเองฉะนั้นขอให้พวกเราทุกองนะเข้ามาบวชทุกองทั้งพระใหม่พระเก่านะ พระเก่าก็เป็นตัวอย่างของพระใหม่สิ่งไหนที่มันไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันชู้ชั่วช้าชาเสียหายหลวงพ่อบอกแล้วสอนแล้วเข้าใจแล้วปุบาอาจารย์สอนแล้วพระเก่าเป็นผู้พาทำเองเป็นผู้พาหน้าดือ้อหน้าด้านเองแต่เป็นพระหน้าด้านก็เองพาทรซะเองผลในสุดก็เลยไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีระเบียบเพราะพระพระเก่ า, พ, กาพาทำ อยางนั้นใช้ไม่ได้นะพวกท่านทั้งหลายนะถ้าองค์ไหนเป็นอย่างนั้นนะบอกมานะองค์ดื้อดันอย่างนั้นนะเอเราก็อยากจะพบเหมือนกันเราจ ะ, ละไล่หนีออกจากวัดว่ะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเยหตุนะั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแนวการสอนในการอยู่ร่วมกันใ ห, ให้มีให้มีกฎที่มีระเบียบให้มีวินยัยให้มีวิธีอุตตรปาก ให้เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมให้เป็นผู้มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นโลกามิตรผมไม่ได้มุ่งนะลาภยศจันรเสริญถึงจะได้มามากกว่เท่านั้นเอาไปทําไมได้มาก็าดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนเราเป็นพระเราก็อยู่อย่างพระนเวยท่านรวยขึ้นมาได้ทําไงรวยมันยิ่งรักษา ย, ยากจังหักแต่ถ้าว่าเรารวยกว็ดี แต่เราสงเคราะห์คนอื่นแต่ในวัดของเรามันก็น่าจะเพียงพอค่อยเป็นค่อยไป mm hmm. นไม่ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็จะทำให้หรูหาโออาเตืองอาลามไปด้วยเพชรนินจินดาอวดวัตถุไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระกรรมาฐานอย่างเรา้ได้มามากก็ไม่ลืมตัวไม่พยองพองตัวไม่ลืมตัวมีมากก็ใช้น้อยอภิจตาอา แล้วก็การเป็นอยู่กับชันทุตถีตามมีตามเกิดพยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่กูบายจารย์ของพระพุทธศาสนาเอาไว้อย่าไปอยู่แบบลืมตัวอย่าไปลืมแบบฟูงเฟือฟุ้งเฟื่อยมันไม่ใช่เรื่องของพระน ะ, ะมีอะไรกับชันตามที่มันมีอย่าไปสั่งนูง้นสั่งนี้เข้ามานะพระนะพระใหม่น ะ, อ, ะอย่าไปฟัง พวพระหลบหบโมโหรวบหัวโมโกณะไม่ได้นะสั่งนั้นสั่งนี้เขามาอยู่มากินญาติพี่น้องเดือดร้อนไปหมดแต่พ่อพระมาอยู่กับที่ถ้าเขาไม่เอามาให้หรือกันยังไงเขาก็รักลูกของเขาแต่ละคนแต่พอเอามาให้ก็เป็นภาระของเขาตัวเองไม่ได้คิดเลยที่เขามาขนาดไหนไกลขนาดไหนเขาทํามาค้าขายยุ่งยากขนาดไหนแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายต้องคิดนะพระเกาต้องคิดนะไม่ใช่ว่าเห็นเตะได้อย่างเดียวนะไม่เห็นเตะโอบหโมกนะอย่างเดียวนะต้องดูนะต้องคิดนะต้องช่วยกันคิดนะต้องบอกกล่าวกันนะอยู่ด้วยกันนะอย่าให้ผมได้บอกพราผมมันอยู่ที่จะรู้พวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายนะั่รู้กันผมไม่จะรู้ส่วนส่วนข้างบนทงจัดทายาตจมมาเกี่ยวข้งองยังไง พระจากวัดอื่นมาเกี่ยวข้องอย่างไรผมจะได้พูดได้กล่าวแนะนําสั่งสอนอย่างไราการสงเคราะห์อนุเคราะห์ส่วนใหญ่ทํำยังไงอันนั้นผมพูดแต่ส่วนส่วนใหญ่ส่วนข้างบนส่วนจิบจ่อยทั้งหลายทั้งปวงเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะต้องสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันเ่ยจะให้พวกตัวของผมไปดูทุกกิทุ ก, กีดูดูลำกันยังไงอยู่แต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะพระทุกอง น, นะ ต้องนั่งภาวนาต้องเดินโยกรมนะเอเห็นทานโยกรมมันเศร้าหมองนะผมใจของผมมันมันเป็นยังไงเลี้ยงพะระเลี้ยงเนนก็ามาแล้วดูแลพระเนรนะไม่เดินโยกรมเฉยมันไม่ใช่ปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมทุกวันเองผมก็ยังเดินทุกวันเกือบจะไม่ขาดแต่ละวันและเห็นพระลูกน้องไปเดินโยกรมเนี่ยมันมีทางเดียวเท่านั้นนหะแสดงว่ามันไม่สู้แล้วมันถอยแล้วมันจะอยู่ทํำไมจะถามว่าจะอยู่ทําไม อยู่เป็นวันๆอยู่เป็นชังกระตายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทำไมไม่หนีเอี่แต่ออกพรรษาหนีก็หนีได้เนี่ยที่พูดทางนี้ทางนั้นนะถ้าว่าไม่เข้าพรรษาเราจะหนีได้ยังไงหลวงพอ่อออกพรรษาหนีหนีก็ได้ไม่เป็นไรผมก็บอกมานานแนละ้วถ้าไม่ตั้งใจยอย่าอยู่นะอยู่ทำไมอยู่มากขี้ควายหร้ขี้ช้างนะไม่ไม่มีคุณภาพมันหนักวัด เออมันหนักวัดถ้าอยู่เข้าไปก็ตั้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัตินั่นแหละเออประพุทธศาสนาก็จะเจริญรุง่งเรืองกบผู้ตั้งใจแต่ถ้าไม่ตั้งใจและอย่างว่านอยู่เป็นวันวันไปมุดมุดมิดมไปเออแบบเศ้าๆมองๆไม่มีสักไม่มีความสงา่างามในการเป็นอยู่ของตอนเอง ใช่ไม่ได้นะพวกท่านทั้งหลายนะพูดทางนี้ทางนั้นนะเตือนนะเป็นการกล่าวเตือนนะนี่จะบอกให้ทั้งพวกท่านทั้งหลายสำนึกนะในการเป็นอยู่ของตนเองนะมองตัวเองนะให้สะอาดสะอ้านนะสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจความสะอาดถ้าหลับเป็นบอ่อแห่งความสุขถ้ากายก็สปกปรกวาจาก็สปกปรกใจก็สกปรกแล้วพวกท่านจะหา ที่ไหนมีแต่นรกเอเวจเีมันสกปรกไปหมดดาวถ้าว่าใจสะอาดทำยังไงใจสะอาดชำระกายําระกิเลสออกจากใจวาจาสะอาดพูดแต่ศีนแต่ธรรมพูดในเสียงทางที่ถูกต้องทาให้พูดก็ไม่พูดเลยอยู่ในความสงบกายพอ ด, ดูความสะอาดเกียร้อยการเป็นอยู่ของตนเองรอบข้างรอบด้านดู ช่วยจัดการเรื่องการเรื่องงานอันนี้แหละอันนี้ประวัติกายสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเป็นบ่อแห่งความสุขนะเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลาให้สังเกตตัวเองทันเราได้ขาดตัวบกพร่องที่ตรงไหนแค่ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาเนี่ให้ดูตนเองนะหลวงพ่อไม่ได้พูดให้เสาสลาฟังนะฟังพูดให้พวกท่านทั้งหลายสี่สิบปดองค์ส่สิบเจ็องค์นะี่แหละฟังนะ ฟังทั้งหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็จะฟังอีกเหมือนกันไม่ใช่แต่ให้พวกท่านทั้งหลายฟังหลวงพ่อพูดออกจากปากหูหลวงพ่อก็ฟังไปด้วยเหมือนกันหลวงพ่อก็จะส้ำรวมระวังเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเรามีความส้ำรวมมีความระวังมีความตั้งใจเนี่ยแหละศาสนาไม่ต้องหาที่ไหนนับหนึ่งจะฆ่าพรเจ้าถ้าพวกท่านทั้งหลายต่างควรกับต่างชี้ให้องนั้นต่างชี้ให้องนี้นอออนพระพุทธศาสนาเละตุ้มเป๊ะไปหมดแต่พวกเราต่างควรกระต่ง รับเคารพต่างองค์ต่างทั้งอกตังต้ ง, ต ง, ตงใจนั่นแหละนับหนึ่งจะเข้าไปเจ้าออไปเข้าไปเจ้าเป็นนุพระที่ดีองค์ที่สองพอดีองค์ที่สามพอดองค์ที่สี่พอดีดีไปองค์ตนงึงถึงองค์สุดท้ายเลยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดวัดวาศาสานาก็ไหลรื่นไปได้ได้ดีแต่ถ้าว่าคนหนึ่งไปคนละทิศคนละทางกันทั้งสี่สิบแปดองค์เนี่ย ตรงพ่อวันยุงหน้าดูเหมือนกันนะเอีเหมือนกับเราเข้าห้องน้ําเข้าองค์หนึ่งเขาไปรักษาล้างสะอาดองที่สองไปขัดอาดพรที่สามต้องสะอาเข้าไปสิบองค์เลยเป็นไงห้องน้ําก็ต้องสะอาดะเออแต่เข้าไปองค์หนึ่งไปเยียบรองเท้าเข้าไปกีดินเต็มไปหมดออกมาออกมาเฉยๆเผลอๆยังไปสูบบุหรี่ในห้องน้าอีกบางบางวัดนะอจากนั้นก็ อุดราตัวเองก็ล้างไม่ล่อนไม่ไม่เกี้ยงอีกต่างหากไม่ได้สังเกตอีกต่างหากพอเชื้อแวกออกมาวงที่สองเข้าไปอีกพูดนะเวลาจะเข้าห้องน้ำพูดนะเนี่แหนหน้าขึ้นฟ้าเนาะมันก้มหน้าไม่ได้มันเหม็นองที่สามก็เข้าไปอีกมันภาพเป็นสิบยี่สิบองจะเป็นยังไงสกโปกขนาดไหนเดียนีเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายต้องคิด ผู้ใดเข้าไปในห้องนะัะต้องสะอาดออกมาดูตาไม่มีหรือจะแสดงว่าสปกปรกถ้าใจสปกปรกไม่จะมองไม่เห็นถ้าใจถ้าใจสุขสะอาดแล้วจะมองเห็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรฝึกหัดให้เป็นคนรับผิดชอบฝึกหัดให้ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบฝึกหัดตัวเองให้เป็นผู้ดูแลาศาสนาดูแลวัดว า, าศาสนาดูแลความสะอาดนั่นแหละ น, นี่นหละคือความสะอาดกายการเป็นอยู่ใครๆมาเห็นก็พอใจคนที่สะอาดมาเห็นก็ยิ่งพอใจแต่คนชกโปกนันก็ชอบเหมือนกันนะชอบสะอาดแต่ตัวเองขี้เกียจใช้ไม่ได้แย่เพราะนั้นขอาฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพูดตรงนี้พูดยาวไปหน่อยพอพวกเราจะเข้าพรรษาต้องเตรียมเตรียมกายเตรียมใจอย่างไร เตรียมกายเตรียมวาจาเตรียมใจอย่างไรเนี่ยที่จอยู่พรรษาสามเดือนสรุปแล้วก็คือให้เป็นพระที่ดีให้มีให้มีธรรมวินัยเป็นหลักมีคุณภาพที่คุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมเป็นพระที่รับผิด ช, ชอบร่วมกันทุกๆุกองนะแล้ต่อเ น, นี้องไปก็คงจะอธิษฐานพรรษาในะทีนี้นะ